พระตายปิดกเล่มที่สิบสมหาปุณนมสูตรว่าด้วยพระธรร ม, มเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรใหญ่อุปทานะขันหะรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราศาสตร์ของมิคารมาตาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปทานขันห้าคือรูปูปานากขันอุปทานนักขันคือรูปเวทนูปานากขันอุปทานนันข์คือเวทนาสัญญูปานากขันอุปทานนักันคือสัญญาสังขารูปานานขันอุปทานนักขันคือสังขารและวิญญาณูปานากขันอุปทานักขันคือวิญญาณอุปทานกขันห้าประการนี้ มีอะไรเป็นมูลเหตุพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัตอบว่าภิกษุอุปทานนขันห้าประการนี้มีฉันทะคือตัณหาความพอใจความอยากเป็นมูลเหตุทูลถามว่าอุปทานกับอุปทานนัขันห้าประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรืออุปทานเป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันหประการพระพุทธเจ้าค่า ตรัสว่าภิกษุอุปทานกับอุปทานนัขันห้าประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันก็ม่ใช่ทางอุปทานนักขัเป็นอย่างอื่นจากอุปทานขันห้าประการก็ม่ใช่แต่ฉันทราคะในอุปทานนักขันห้าประการนั้นเป็นตัวอุปทานข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทราคาต่างๆในอุปทานนขันห้าประการจะพึงมีได้หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีได้ภิกษุแล้วได้ตรัสต่อไปว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตขอเราพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุฉันทราคะต่างๆในอุปทานขันห้าประการพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ เหตุที่ชื่อว่าขันภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันจึงชื่อว่าขันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน เป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันภิกษุด้วยเหตุเ er พ对对ียงเท่านี้ขันจึงชื่อว่าขันเหตุที่ทำให้ขันปรากฏภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ขันห้าคือรูปรขนันเวทนาขันสัญญาขนันสังขารขันวิญญาณขันอะไรเป็นปัจจัยทำให้ขันห้านีป้ปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุมหาภูตะสีเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปรขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขนันสัญญาขนันสังขารขันปรากฏ นามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันปรากฏเหตุเกิดสักยาทิฏฐิภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักยาทิฏฐิคือการยึดถือว่าขันห้านี้เป็นตนเป็นของตนมีได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุปุถุชนในโลกนี้ ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนําในธรรมะของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาคือความเป็นตนเป็นของตนพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปและโดยนัยยะเดียวกันคือพิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นอัตตาคือความเป็นตนเป็นของตนภิกษุสักยทิฏฐิมีได้อย่างนี้และสักยทิฏฐิจะไม่มีได้ด้วยการพิจารณาตรงกันข้ามคือเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนคุณโทษและการสลัดออกจากอุปาทานขันพิสุทนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปจากเวทนาจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิษุ สภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในรูปธรรมะเป็นที่กาจัดฉันทราคะธรรมะเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปตรัสโดยในยะเดียวกันเช่นเดียวกันกับเรื่องรูป คือสภาพที่สุขโสมนัตอาศัยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในอุปาทานขันตละลัประการนั้นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในอุปาทานขันตละลัประการนั้นธรรมะเป็นที่กําจัดฉันทราคะธรรมะเป็นที่ล่าฉันทราคะในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละประการนั้น นี่เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละประการนั้นความไม่มีอาหางการมะมมังการและมานุสัยภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอาหางการคือทิฏฐิไม่มีมะมังการคือตัณหาไม่มีมา น, านุสัยคือมานะ ในกายที่มีวิญญาณนี้และสัรพนิมิตภายนอกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งว่านั่นไม่ใช่เราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราภิกษุเมื่อบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ จึงจะไม่มีอาหางการมะมังการและมนุสัยในกายที่มีวิญญาณ น, นี้และในสัพนิมิตในภายนอกลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตกระทาจะถูกต้องอัตตาคือตัวตนของเราได้อย่างไร ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของภิกษุรูปนั้นด้วยพระไัยแล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่โมคะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่รู้แจ้งตกอยู่ในอำนาจของอวิชามีใจถูกตันหาครอบงำจึงเข้าใจคำสั่งสอนของศาสดาอย่างสับเป่าด้วยความคิดคำหนึงว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตากระทํำจะถูกต้องอัตตาคือตัวตนของเราได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเราจะย้อนถามเราได้แนะนําเธอทั้งหลายในธรรมะเหล่านั้ น, น, นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรตรัสถามที่ละข้อ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือไม่ที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา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 ย่อมเบื่อนายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำนัดหรอกลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษีนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระพาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคและเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสเวยากรณภพาสิทธินี้อยู่ภิกษุประมาณห0สรูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นดังนี้แลจบมหาปุณมะสูตร